เองมีเรื่องสั้นมาเปิดหัวคลิปนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องเล่าจากคุณแมนค่ะคุณแมนบอกว่าตอนอยู่ป .1 เนี่ยเขาจําแม่นมากเลยแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันอายุ21ปีแล้วเป็นช่วงที่อยู่มัธยมเคยเล่าให้คนอื่นฟังแต่ว่าไม่มีใครเชื่อก็เลยลองเล่าในนี้ดูนะคะเผื่อว่าอาจจะมีใครที่เคยเจอประสบการณ์แบบเดียวกันนี้บ้านของคุณแมนเองอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอยู่ติดกับป่าใหญ่ โตมาในป่าเลยแหละนะคะบ้านของคุณแมนเองก็เป็นครอบครัวใหญ่ก็มีคุณตาคุณยายมีป้ามีแม่มีน้าสองคนแล้วก็มีคุณแมนแล้วก็ลูกนะ้าลูกป้าอีก4คนค่ะที่บ้านก็ทําไร่ข้าวโพดกันซึ่งปกติแล้วก็จะปลูกมันสําปะหลังด้วยแต่ว่าปีนั้นคุณตาแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งปลูกข้าวโพดก่อนอื่นก็เลยต้องขอบอกกันว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคุณแมนจะอยู่ปหนึ่งแต่เขากับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ยิงนกหาปลาวางกับดักสัตว์เล็กๆจำพวกไก่ป่าเป็นแล้วนะคะแต่ก็ไม่ถูกอนุญาตให้เข้าป่าใหญ่โดยที่ไม่มีผู้ใหญ่เข้าไปด้วยแต่ว่าเรื่องที่จะเล่านี่ไม่เกี่ยวกันกับตรงนี้หรอกมันเป็นเรื่องที่อยู่ตรงที่ว่าวันเสาร์อยู่ๆคุณตาก็ชวนเข้าไปในไร่ข้าโพดค่ะซึ่งคุณแมนเองก็ไม่เคยไปเพราะว่ามันอยู่ลึกในป่า พอไปถึงไร่ข้าวโพดแล้วเนี่ยการเดินเท้าคือไกลมากมีหมาบ้านที่เลี้ยงไว้เข้าป่าไปด้วย5้าตัวซึ่งพวกนี้ล่าสัตว์เก่งนะคะไปถึงก็เจอแม่เจอป้าเจอน้าเจอยายนั่งสับมันสัมปะหลังก็มีคุณพ่อมีคุณอาแล้วก็คุณลุงเป็นคนขุดมันคุณตาพาคุณแมนเดินลึกเข้าไปต่อเพื่อที่จะไปถึงไร่ข้าวโพดตอนนั้นก็เที่ยงคืนพอดีมีกระต่อบเล็กๆนะคะที่คุณตาทําเอาไว้นอนคุณตาก็บอกว่านั่งเล่นตรงนี้ไปก่อน ตาจะเดินดูไร่ตาไม่ให้ไปด้วยเพราะว่าคุณแมนเหนื่อยแล้วคุณตาบอกว่าอีกสักพักหนึ่งพวกแม่ก็จะมากินข้าวตรงนี้แหละตาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวตาก็กลับมาแล้วก็นอนรอกินข้าวคุณแมนก็นอนเล่นอยู่ข้างๆแล้วก็อยู่ๆนะคะหมาทั้งห้าตัวนี้ก็มีอาการตกใจแล้วก็วิ่งเข้าไปในไร่ข้าโพด คุณแมนหันไปอีกทางหนึ่งก็เห็นหางหมาอีกตัวหนึ่งอยู่หลังกอไผ่เล็กๆค่ะติดกับต้นมะม่วงป่าแล้วหมามันก็เดินออกมาให้เห็นทั้งตัวสีมันขาวนวลดูสวยมากคุณแมนก็เลยกวากมือเรียกมันเข้ามาซึ่งมันเป็นหมาใครก็ไม่รู้แต่แทนที่มันจะเข้ามาแต่มันเดินอ้อมไปที่กอไผ่ค่ะแล้วก็โผล่มาอีกทางนึงพอโผล่มาปรากฏว่ามันไม่ใช่หมาแล้วค่ะมันเป็นเด็กทารก คือเป็นทารกเลยค่ะเปลือยเปล่าทั้งตัวแต่เดินได้เดินเตะแตะเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ค่อยๆ ย, ยิ้มให้หน้ามันเหมือนจะฉีกออกทีนี้คุณแมนลุกขึ้นแล้วหันไปเรียกตาซึ่งคุณตากลับมาแล้วนะคะณนะเวลานั้นคือก็มานอนอ่อนเพลียอยู่ข้างๆแต่ว่าตานี่เหมือนนอนแล้วแบบหลับไปแบบปลุกไม่ตื่นเี่ยนะคะเรียกยังไงก็ไม่ตื่นคุณแมนก็เลยคว้ามีดของคุณตาเนี่ย เขยงใส่มันแล้วก็วิ่งกลับไปหาแม่วิ่งแหวกป่าไปเลยแต่โกนลั่นเลยละะ่ะค่ะจนเห็นแม่นั่งอยู่ไกลๆตรงชายไร้มันสัมปรังก็เรียกแม่พีหลอกคุณแมนร้องไห้ไปด้วยเรียกไปด้วยแต่ขาก็ยังคงทํางานประสาน ก, นกันกับสมองอยู่นะคะที่ยังคงสั่งการให้วิ่งต่อไปคุณอาที่อยู่ใกล้กว่าหันมาเห็นข้าก็เลยทิ้งจอบแล้วรีบวิ่งมารับวิ่งมาถึงคุณพ่อก็อุ้มแล้วก็ถามว่าอะไรหนูไอ้หนูเป็นอะไร ก็เลยบอกว่าผีหลอกคุณอาตกใจค่ะรีบกลับไปหยิบจอบแล้วก็วิ่งไปหาตาก่อนไปถามอ่ก่อนที่จะไปหาตานี่ก็ถามว่าอ่าเรีว่าตาล่ะก็เลยตอบไปบอกไม่รู้ ท, ทั้งท้งที่ตอนวิ่งมาตานอนอยู่อาก็เลยรีบดูอ่าวิ่งไปดูตานะคะลุงก็วิ่งตามไปพ่อก็อุ้มคุณแมนเนี่ยเข้าไปหากลุ่มแม่แล้วก็ปลอบกันสักพักหนึ่ง คุณตาก็เดินมากับคุณอานะคะแล้วก็บอกตาก็บอกว่ากูนอนอยู่ได้ยินเสียงมันเรียกลืมตาเห็นมันวิ่งมาแล้วกูก็นึกว่ามีอะไรมันก็ไม่ทันบอกกูนี่กูรีบวิ่งตามมาเนี่ยสักพักหมาก็วิ่งมาหาทั้งๆ ท, ที่หายไปไหนมาก็ไม่รู้มาล้อมคุณแมนไว้แล้วก็ดมดมลเลียดมดมลีเลี ย, ลลยแล้วก็วิ่งไปทางกระต๊อบ ทุกคนก็พากันกลับบ้านทันทีค่ะโดยตากับอาก็เดินกลับไปที่กระต่อบเพื่อเอาเข้าวกลางวันหลังจากนั้นก็ไม่มีใครให้คุณแมนเข้าป่าอีกเลยนะคะคุณแมนฝากทิ้งท้ายบอกว่าอยากรู้ว่าที่ผมเจอเนี่ยมันคืออะไรเรื่องเล่าจากคุณแมนจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทีนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ทองผาภูมิค่ะยังคงอยู่กันที่กาญจนบุรีเหมือนเดิมนะคะใครที่เคยไปอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิช่วงหน้าหนาว ไปกับเพื่อนบ้างคะหรือว่าไปคนเดียวจะรู้ว่าลมมันพัดแรงแค่ไหนแล้วเสียงวีดวิวเนี่ยจับขั้วหัวใจเหลือเกินเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังทางบ้านเล่ามาบอกว่าเคยไปกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งตั้งใจจะไปถ่ายภาพประกอบวิวไปถึงก็ล่วงบ่าย3โมงแล้วล่ะคะ่ะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้บ้านพักเป็นบ้านบนต้นไม้หลังเล็กๆมีห้องเล็กนิดเดียวนอนได้สองคนอีกศอกเดียวสอกกว่าก็ติดประตูห้องน้าแล้ว แล้วก็มีระเบียงหน้าห้องเล็กๆนะคะพอให้ได้ชมวิวค่ะแต่ว่ามีต้นไม้ขึ้นมาบังพอสมควรแล้วก็บรรยากาศนะคะเงียบสงบไม่มีคนอื่นนอนเลยเงียบจนออกจะวังเวงแล้วก็น่ากลัวชมวิวกันไปสักพักหนึ่งก็เริ่มโผล่เพลงค่ะก็เลยล็อกทางขึ้นกระท่อมแล้วก็เข้านอนซะเตียงนอนนี่ก็ปูกับพื้นห่างจากประตูห้องไม่เกินเมตรก็เลยล็อกห้องเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ไม่ยอมอาบน้ําเพราะหนาวเหลือเกินค่ะแถมฝนยังตกอีก ก็เลยไปอาบน้ําเย็นจนขนลุกอาบไปกระโดดไปอาบเสร็จนั่งคุยกันเบาๆสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบบันไดกระท่อมขึ้นมาแต่ว่าเสียงเงียบไปตอนถึงประตูทางขึ้นกระท่อมแต่ก็ไม่มีเสียงเดินลงด้วยนะทีนี้เนี่ยสคนก็มองหน้ากันเลิกลักเลิกลักละค่ะแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรต่อจะออกไปดูก็ไม่กล้าคนข้างล่างไม่น่าจะเปิดประตูทางขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าประตูต้องเปิดจากด้านล่างแล้วดันขึ้น เหมือนเปิดฝ้าเพดานแถมยังมีกลอนตัวใหญ่ล็อกจากด้านบนไม่น่าจะเปิดขึ้นมาตามปกติได้ก็เลยนั่งพิงนั่งฟังกันไปสักพักหนึ่งตอนแรกก็เดา ว, ว่าเออหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เดินมาดูแต่ทำไมมีแต่เสียงเดินขึ้นไม่มีเสียงเดินลงผ่านไปพักใหญ่ค่ะก็ยังไม่มีเสียงเดินลงหรือว่าเสียงอะไรเลยก็เลยคิดว่าเออช่างเถอะเช็คประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟนอนดีกว่ากะว่าตื่นเช้าๆไปสูดอากาศ ทีนี้เจ้าของเรื่องนีนอนติดด้านห้องน้ำส่วนเพื่อนนอนด้านขวามือหลับไปได้สักพักหนึ่งไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะคะลืมตาตื่นขึ้นมาเอง มองความมืดที่พอเห็นเป็นเงาลางๆเห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวค่ะใส่ชุดผ้ายืดนุ่มๆแต่ไม่ได้รัดรูปอะไรเป็นชุดพอดีตัวก็เป็นเหมือนกางเกงวอมผ้ายืดสีขาวกับเสื้อยืดสีขาวอะไรประมาณนี้แขนยาวนะคะรัดข้อมือรูปร่างสูงโปร่งแต่ว่าสีขาวของเสื้อนี่ดูมอๆเก่าๆมองๆหน่อยเดินเข้ามาทางปลายเท้าของผู้ที่เล่าเรื่องนี้เพื่อไปเข้าห้องน้ําประตูห้องน้ําก็เปิดค่ะแล้วก็ปิดมีเสียงเปิดก๊อกน้ํา ไอ้เราก็นึกว่าเออเพื่อนลุกไปเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็เลยนอนตะแคงตัวไปทางขวาเพื่อนอนต่อภาพที่เห็นคืออา้าวเพื่อนยังนอนอยู่ทางขวาเหมือนเดิมนี่หว่าแล้วเสียงใช้น้ําในห้องน้ําก็ยังคงดังอยู่พูดแล้วขนลุกตอนแรกว่าจะปลุกเพื่อนเอ่อแต่อย่าดีกว่าบรรยากาศเหมือนกับเราจะเรียกอะไรดีกําลังใช้ห้องร่วมกันอยู่ถ้าลุกขึ้นมาคุยกันแล้วเขาจะออกจากห้องน้ํามาร่วมวงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยนอนนอนไปดีกว่าเช้าค่อยว่ากัน คิดแล้วก็หลับไปเลยเช้ามาก็เลยถามเพื่อนเพื่อนบอกได้ยินเหมือนกันก็นึกว่าเป็นเราไปเข้าห้องน้ําเหมือนกันแต่พอหันมาเห็นเรานอนอยู่เลยรู้แต่ไม่พูดอะไรกะมาคุยกันตอนเช้าเหมือนกันใครจะไปพักที่กระท่อมก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังต่อนะถ้าเจออะไรในความรู้สึกของเราในใจมันมันรู้สึกว่าคงเป็นคนที่เคยมาพักที่นี่แล้วมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจนไม่ได้กลับบ้านหรือเปล่าแล้วก็เลยเกิดการวนเวียนอยู่ที่นี่ก็เลยมาปรากฏให้รับรู้ พอตอนเช้าก็เลยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาขอให้ไปสู่สุขติในเร็ววันมีโชครุ่งเรืองนะเพื่อนก่อนกลับก็แวะไปถามเจ้าหน้าที่ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าหรือที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีอะไรค่ะเออก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ไม่ได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเช่นกันก็ดีใจเหมือนกันนะคะเจ้าของเรื่องบอกเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงครั้งแรกกับวิญ ญ, ญาณเกิดมาไม่เคยเจอเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ฝันไปนแน่ๆเพราะว่าเพื่อนก็ตื่นแล้วก็ได้ยินเหมือนกัน นะคะแต่ว่าเพื่อนไม่ได้เห็นเหมือนเราแค่ได้ยินเสียงคนใช้ห้องน้ําแล้วก็มองมายัางเราก็เห็นเรานอนอยู่แต่ปรากฏว่าพอหลับกันไปอีกครั้งเพื่อนกลับฝันถึงผู้หญิงคนเดียวกันค่ะมีลักษณะเดียวกันกับที่เห็นเหมือนกันเขามาหาเพื่อนในฝันแบบไม่ค่อยประสงคดีเท่าไหร่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงแต่ว่าห้องนี่กลับเป็นห้องที่ใหญ่กว่าห้องที่เราอยู่แล้วก็ดูดีกว่าในห้องเนี่ยที่เพื่อนฝันมีรูปหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราวางอยู่ด้านติดหน้าต่าง เพื่อนก็เลยกระโดดไปควา้ารูปครูบาอาจารย์มาถือไว้ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นใครจะไปพักอยู่ที่ไหนในปา่าหรือว่าในอะไรก็อย่าลืมนะคะสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยแปลกที่แปลกทางเคารพสถานที่นิดหนึ่งนะคะหรือเพื่อให้ดีค่ะเหมือนบีเวลาจะไปนอนที่ไหนสักที่หนึ่งเช็คประวัติก่อนที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่นี่มีอะไรไหมนะคะแล้วก็เซิร์ชใน Google นี่เป็นเจ้าแม่ Google ไง เพื่อนให้ฉายาไปไหนต้องเช็คไปไหนต้องเช็คนะคะนี่ก็เป็น2เรื่องสั้นๆที่บีนํามาเล่าให้ฟังประจําคลิปนี้นะคะคุณดวงกำมลเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวน่าตื่นเต้นให้เราฟังนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของคุณแม่ที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ของคุณแม่เอง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 ผ่านมาได้ครึ่งทางค่ะฝนก็เริ่มซาเม็ดลงมองเห็นป่าช้าอ่าอยู่ไม่ไกลนักก่อนจะเข้าหมู่บ้านแม่ก็ทั้งจูงมือทั้งเดินกึ่งวิ่งกึ่งเดินอยู่พักใหญ่เนยค่ะเพื่อให้ผ่านป่าช้าไปเร็วๆซึ่งในที่สุดก็ผ่านพ้นเข้าเขตทุ่งนาใกล้หมู่บ้านแปลกมากคุณผู้ฟังแถวนั้นไม่มีฝนแล้วก็ลมเลยก็เลยถามคุณแม่บอกเอ้าแม่ทําไมที่นี่ไม่มีฝนแม่บอกว่าฝนมันตกไม่ทั่วฟ้าน่ะ พอเข้าเขตหมู่บ้านทุกคนก็เลยเป็นงงค่ะเปียกมะลอกมะแลกทั้งแม่ทั้งลูกคุณพ่อเห็นก็ตกใจเป็นห่วงถามแม่บอกว่าทำไมพากันกลับมืดกลับข้าแม่ก็บอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง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 ย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อนนะคะเรื่องราวของคุณต้อมนะคะบอกว่าคุณต้อมเรียนอยู่ประมาณปีสองตอนนั้นผมแล้วก็เพื่อนสมัยมัธยมได้คุยกันไว้ว่าเอออยากจะไปเที่ยวแบบ2วันหนึ่งคืนที่กาญจน บ, บรุรีก็เลยเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะเจาะค่ะเนื่องด้วยว่าคุณต้อมเองก็มีญาติก็คือน้าชายที่มีบ้านอยู่ที่นั่นประกอบกับ คุณต้อมเองก็ขับรถไปเที่ยวบ้านนาะค่อนข้างบ่อยซึ่งเรียกว่าพอจะชำนาญทางพอสมควรเลยทีเดียวและที่สำคัญค่ะพักบ้านนาะไม่เสียเงินด้วยแถมจังหวัดนี้มีที่เที่ยวอีกมากมายเช้าวันเสาร์หลังจากรวมพลเสร็จนะคะก็มีคุณต้อมมีเพื่อนผู้ชายอีก3คนผู้หญิง3าคนรวมทั้งหมดก็7คนนะคะโดยขับรถกระบาของคุณต้อมไปสาวๆก็นั่งในแคป หนุ่มๆก็นั่งท้ายก็เดินทางไปถึงบ้านท่าเสาซึ่งเป็นบ้านของน้าชายค่ะห่างจากน้ำตกไยโยกน้อยประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นพอไปถึงก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะหลังจากเอาสัมภาระ ล, ะลงจากรถก็ออกเดินทางไปจุดเป้าหมายของการเดินทางครั้งนั้นนั่นก็คือน้ำตกเอราวันค่ะโดยใช้เส้นทางลัดไปโผล่เส้นใกล้น้าตกเลยไม่ต้องตีย้อนเข้าตัวเมืองแล้วย้อนขึ้นมาใหม่ ยน่นระยะทางได้โข ổ. พวกเราก็ไปเที่ยวกันเล่นน้ำตกจนเริ่มเย็นก็ขึ้นจากน้ำตกหลังจากออกจากน้ำตกตอนนั้นก็5โมงครึ่งแล้วนะคะเพื่อนบอกว่ามีที่เที่ยวใกล้ๆอีกไหมคุณต้อมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพาไปชมพระอาทิตย์ตกบนสันเขื่อนสีนครินไปกันไหมขึ้นไปอีกนิดเดียวไม่เกิน10กิโล ก็เลยตกลงกันค่ะว่าขึ้นไปก็ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วก็เริ่มมืดลุงยามที่เฝ้าเขื่อนค่ะเดินตรงมาหาพร้อมกับทาหน้าตาดุๆถามคนในกลุ่มทุกคนเนี่ยบอกว่าไอ้หนูพวกเองพักที่ไหนการทำไมป่านนี้ยังไม่ลงไปกันอีกแกถามแถวท่าเสาครับลุงตายละแล้วต้องวิ่งผ่านเส้นนั้นกลับนี่นาะใช่ไหมลุงแกถามก็เลยตอบไปบอกอ่ะใช่ครับ ไม่เป็นไรครับลุงผมค่อนข้างชินทางเองอะ่ะส่วนมากวิ่งกลางวันละสี่ถึงไม่รู้ว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปใครเขาใช้เส้นทางนั้นกันทางที่ดีเนี่ยเองตีลงไปตัวเมืองแล้วขึ้นสสองสามกลับท่าเสาจะดีกว่านะแกเตือนก็เลยบอกว่าครับขอบคุณครับคุณลุงก็รับปาก ส, ส่งไปอย่างนั้นแหละนะคะก็นึกในใจบอกโอ้ยใครจะไปอ้อมตั้ง50กโลอย่างต่า ก็เลยนึกในใจว่าเออเราเนี่ยก็ผ่านบ่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลางวันอย่างที่แก้ว่านั่นแหละนะคะที่นี้ทั้งเจ็ดคนก็โดดขึ้นรถตอนนั้นก็เกือบทุ่มตรงแล้วละค่ะก็ขับมาตามทางแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าเส้นนั้นนะคะก็คุณต้อมบอกขออภัยจําทางเส้นทางหลวงไม่ได้เพราะว่ามันนานมาแล้วแต่ว่าเส้นทางที่ว่านี่เป็นถนนเลนสวนเล็ก ตัดจากสายสามสองสามมาโผล่เอาตรงใกล้ๆถึงน้ำตกเอราวันค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นถนนย่อยไฟทางไม่ต้องไปถามหาไม่มีค่ะระยะทางกว่า20กิโลเมตรเหมือนวิ่งอยู่คันเดียวศาสตร์ไฟสูงวิ่งตลอดทางวิ่งมาได้ครึ่งทางแฟนคุณต้อมที่นั่งอยู่บะหน้าข้างๆก็รู้สึกร้องเบาๆขึ้นมาบอกเฮ้ยจังหวะเดียวกันค่ะ กับสามหนุ่มที่อยู่ท้ายกระ บ, บะเคาะกระจกหลังหัวเก๋งรถรัวๆเลยแล้วก็เปิดกระจกระหว่างนั้นคุณต้อมก็เปิดกระจกนะคะแล้วก็ถามแฟนข้างบอกร้องทําไมแฟนก็ไม่ตอบเพื่อนที่นั่งกระ บ, บะท้ายก็ตะโกนมาบอกเจออะไรไม่ต้องหยุดรถเลยนะมึงขับไปเรื่อยๆคุณต้อม ง, งงค่ะว่าอะไรว่าส่วนเพื่อนสาวอีกสองคนซึ่งนั่งในแคบก็ตื่นขึ้นมาถามว่ามีอะไรกันแฟนก็ยังคงนั่งนิ่งเงียบไม่พูดอะไรก็พยายามขับรถต่อไป พยายามไม่ใส่ใจอะไรทันใดนะั้นเหนือไฟหน้าดับมันจะทอนเข้ากับกระจกมองหลังแต่เห็นเป็นดวงไฟดวงเดียวนะยคะภาษาคนขับรถเขาเรียกว่าไฟตาเดียวนั่นเองนะคะตามหลังมาลิบล ก็นึกในใจว่ามันน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แหละแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ว่ามันใกล้เข้ามาเร็วจนแปลกใจว่าเอ๊ะรถเราตอนนั้นก็รุ่นใหม่ล่าสุดความเร็วที่ใช้ตัว น, นั้นก็ร2อแล้วยังตามจี้ได้เร็วขนาดนี้มอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะทำความเร็วได้ขนาดนี้นะเพื่อน3มคนที่นั่งกระบะหลังซึ่งตอนนี้ย้ายตัวเองมานั่งติดหลังหัวเก๋งกันหมดแล้วเนี่ค่ะขอกระจกเป็นสัญญาณว่ามีรถตามหลังมาด้วยความเร็วสูง ก็เลยเพิ่มความเร็วขึ้นไปเป็น150หวังจะไม่ให้แซงค่ะแต่เปล่าประโยชน์รถคันนั้นกลับตีคู่ขึ้นมาแล้วแซงไปหน้าตาเฉยด้วยความเร็วที่ใช้ตอนนั้นเกือบแตะ160ไปแล้วแทบจะมิดขันเร่งแล้วตอนเขาแซงจึงรู้นะคะว่าเป็นกระดัะเก่ากว่าของคุณต้อมเองซึ่งเป็น m i t ิ u b i s h i c ไ c ค o n นค่ะซึ่งคุณต้อมตอนนั้นขับอสองเทอร์โบรุ่นใหม่สุดตอนนั้นรถเก่าแบบนั้น ไม่น่าจะแสงได้แถมสภาพรถคันนั้นค่อนข้างผุพังคือไฟหน้าติดข้างเดียวแถมแก้มข้างเนี่ยสั่นพับๆเลยนะคะจะหลุดแหลไม่หลุดแหละวิ่งสายไปใสามาอีกตั้งหากแต่ว่าพอเขาแสงไปได้ค่ะคุณต้อมมองเห็นไฟท้ายก็ติดข้างเดียวเหมือนกันกับไฟหน้าด้วยความอยากตามให้ติดคิดว่าเอออย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมทางขับตามกันไปจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรก็เลย กดแบบหมดคันเร่งเลยความเร็วแตะขึ้นไปที่ร7 0หมดแม็กค่ะแต่ก็ไม่เป็นผลได้แค่ตามรถคันนั้นแถมเขาฉีกออกห่างไปทีละนิดทีละนิดโค้งก็เยอะก็เลยคิดเลยว่าเออเข้าโค้งยังไงไ ม, ไม่ยกคันเร่งเลยด้ยไงเนี่ยแต่ว่าคุณต้อมก็พยายามขับตามไปตลอดนะคะเดี๋ยวโค้งซ้ายเดี๋ยวโค้งขวาแฟนคุณต้อมอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมา คุณต้อมตกใจก็เลยลดความเร็วลงมาเล็กน้อยทุกคนในรถก็ถามขึ้นบอกเป็นอะไรแฟนเอามือปิดหน้าร้องไห้และพูดขึ้นว่าอย่าขับตามมันอย่าขับตามมันลดความเร็วลงคุณต้อมเริ่มปล่อยคันเร่งน้ำเสียงของเธอดูหวาดกลัวค่ะท่านใดนั้นเองรถคันหน้าเข้าโค้งซ้ายไปแล้วคุณต้อมที่เพิ่งดึงสติกลับมาสตาร์ไฟสูงอีกครั้งเตรียมเข้าโค้งซ้ายตามรถคันหน้าแต่พอรถวิ่งใกล้ถึงโค้งค่ะก็เห็นว่ารถคันนั้นเนี่ยที่เข้าโค้งซ้ายไปเนี่ย มันเป็นโค้งขวาชัดๆแถมเป็นโค้งขวาเกือบหักศอกด้วยก็เลยเบรกตัวโกงค่ะเสียงยางดังสนั่นวันไหวคุณต้อมดึงรถเข้าโค้งขวาไปตามถนนหางตามองเห็นว่าไอ้โค้งสายที่รถคันนั้นมันเลี้ยวเนี่ยมันไม่มีโค้งแต่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ข้างทางอยู่หลังแนวกั้นถนนกับการรถแหกโค้งเฉ ย, ยๆนะคะเคราะดีค่ะที่รถไม่เสียหลักทุกคนบนรถร้องลั่นเลย เราก็ผ่านโค้งนั้นมาได้แบบบุดหวิดนะค ะ, ะ, คะก็เลยลดความเร็วลงมาเหลือแค่60มือสัน่นขาสัน่นใจเต้นตุบๆเลยแฟนร้องไห้ตัวสั่นตลอดเวลาจนไม่เกิน10นาทีก็มาถึงแยกที่บรรจบ ก, กันกับถนนหลักนะคะสาย323ทุกคนโล่งใจมากพอดีแยกนั้นเนี่ยมีป้อมตำรวจทางหลวงก็เลยตัดสินใจจอดแวะจอดันหน้าป้อมตารวจนี่แหละก็เลยหันไปถามแฟนบอกเห็นอะไร แฟนก็รวบรวมสตินะคะแล้วบอกว่าตอนที่ร้องเฮ้ย <c oughs> ในตอนนั้นเนี่ยแฟนบอกว่าแฟนเห็นรถคันที่แซงเราไปนี่แหละชนต้นไม้อยู่ข้างๆทางและเห็นเหมือนร่างสีดำใส่ชุดขาวสองร่างยืนอยู่ ใ, ใกล้ๆรถคันนั้นและชี้มือมาที่รถเราที่วิ่งผ่านไปประกอบกับสามหนุ่มด้านท้ายกระบะโดดลงมาสิ่งที่พวกเขาเห็นเนี่ยคือแบบเดียวกันกับที่แฟนเห็นเป๊ะเลย พอดีพี่ตำรวจเปิดประตูป้อมออกมาถามว่าเราเป็นอะไรกันไปไหนมาแล้วจะไปไหนก็เลยลงจากรถแล้วก็ไปคุยกับตำรวจค่ะชี้มือไปทางตรงท่ามป้อมว่าขับออกมาจากเส้นนี้ยังไม่ทันพูดต่อพี่ตำรวจเขาบอกว่าโห oh, รอดมาได้เนี่ยถือว่าดวงดีมากๆเลยนะเส้นนี้กลางคืนชาวบ้านเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกพี่ตำรวจบอกว่ากระบะเก่าไฟตาเดียวใช่ไหมก็เลยตอบบอกใช่ครับ คุณต้อมถามถึงที่มาที่ไปพี่แกบอกว่าแกเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานแต่ก็ได้ยินเขาเล่าลือกันบอกว่าเส้นนี้เนี่ยผีดุไม่จําเป็นหลังพระอาทิตย์ตกไม่มีใครเขาวิ่งเส้นนี้กันพี่เขาทิ้งทายไว้ว่าน้องเอ้ยรอดมาได้ก็ดีแล้วตั้งสติได้แล้วค่อยกลับกันนะก็พักกันตามสบายอยู่ไกลกันไหมที่พักคุณต้อมก็บอกอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 45- หโลเองครับก่อนพี่เขาจะกลับเข้าป้อมเขาหันไปบอกว่าโชคดีกันจริงๆที่ไม่เป็นอันตรายกันเนี่ย หลังจากนั้นนะคะคุณต้อมก็ขับรถกลับมาถึงบ้านนะชายแล้วก็ล้อมวงกินข้าวคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณต้อมยืนยันว่าไม่เห็นจริงๆนะไอ้ตอนที่แฟนร้องเฮ้ยขึ้นมาเนี่ยที่มาเห็นก็คือเห็นไอ้รถผีนั่นจอดอัดกับต้นไม้รวมไปถึงวิญญาณสองตนนั้นเนี่ยคือคุณต้อมไม่เห็นนะแต่ว่าแฟนเนี่ยเห็นแล้วก็ผู้ชาย3มคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นนะคะ แล้วถ้าแฟนเขาไม่ร้องไห้แล้วก็เตือนขึ้นมาก็อาจจะเลี้ยวตามที่เจ้ารถผีคันนั้นไปทางซ้ายแล้วก็ชนเข้ากันกับต้นไม้ใหญ่ข้างทางนั้นอย่างแน่นอนนะคะพวกเราทั้ง7คนก็ครงคงจะกลายเป็นผีเฝ้าถนนหรือว่าตัวตายตัวแทนกับเจ้ารถผีคันนั้นชัวร์เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวกันอีกนิดหน่อยแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะไม่ค่อยเปรี่ยวเท่าไหร่แล้วเนาะ ถนนสายที่ว่านี้เพราะว่าค น, เ, นเริ่มทยอยปลูกบ้านกันมากขึ้นแล้วนะคะก็พยายามนึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ถนนสายไหนกันน้านะคะเผื่อว่าเคยขับรถผ่านไปเพราะว่าไปกาญจนบุรีนี่ก็ไปค่อนข้างบ่อยเหมือนกันขอบคุณสาหรับเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดถูกใจคลิปให้กับ b กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ